หนังสือก็เขียนกันได้ทำไมไม่เอามาใช้ที่นี้ก็มีคำถามแทรกเข้ามาว่าอา้าวสมัยก่อนนี้ที่บอกว่าในพุทธการเรียนโดยใช้ความจาด้วยการสททายท่องเอานี่หมายความว่าสมัยนั้นไม่มีการเขียนหรืออย่างไรก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยมาบอกกันไว้หน่อยก็ตอบสั้นๆก่อนว่ามีแล้ว ในสมัยพุทธกาลก็มีการเขียนหนังสือก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วทำไมจึงไม่ใช้วิธีเขียนทำไมจึงไม่จารึกพุทธพจน์ไว้ด้วยการเขียนล่ะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังดูง่ายๆอย่างในวินัยปิดกมีสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ตั้งแต่ห้ามาสกคือบาทหนึ่งขึ้นไปต้องอาบัติปา ร, ราชิก ในวินัยปิดกตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องโจรขโมยต่างๆแล้วต่อมาในตอนอื่นก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการบวช ด, ด้วยคือคนที่ไปลักขโมยที่เรียกว่าโจร น, นั้นก็มีพุทธบัญญัติไม่ให้พระบวชให้โจรโจร น, นี่มีหลายระดับโจรอย่างองคุลิมานเขาเรียกว่าโจรถือธงหมายความว่าเป็นโจรที่ใหญ่จริงๆเรียกว่ามีธงนาเลยทีเดียว ชนีโจรอีกพวกหนึ่งเรียกว่าลิกิตะกะโจรลิกิตแปลว่าเขียนใช่ไหมภาษาบาลีว่าลิกิตโกโจโรแปลว่าโจรที่มีหมายจับคือหมายจับของพระราชาท่านอธิบายว่าโจรพวกเนี้ยพระราชาทรงออกหมายไว้ในหมายนั้นจะเขียนว่าโจรคนนี้ชื่อนี้ใครเจอที่ไหนก็ให้ฆ่าซะที่นั่น หรือว่าโจรผู้นี้ใครเจอที่ไหนก็ให้จับตัวไว้อะไรอย่างนี้นี่เรียกว่ามีหมายของพระราชาเป็นลิขิตโกโจโรก็แสดงว่าสมัยนั้นมีการเขียนหนังสือแล้วอ้าวก็เมื่อมีตัวหนังสือมีการเขียนหนังสือแล้วทำไมจึงไม่ใช้ในการเล่าเรียนต้องเข้าใจว่าการเขียนสมัยนั้นนะ่ะมันไม่เหมือนพิม ในการพิมพ์เนี่ยเราตรวจให้ถูกต้องแน่ใจดีแล้วครั้งเดียวแล้วก็พิมพ์ออกไปเท่าไรเท่าไรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนฉบับมันก็เหมือนกันหมดถ้าตรวจแน่นอนทีเดียวแล้วก็ไว้ใจได้แน่ใจว่าเป็นแบบแผนที่นี้ในสมัยพุทธกาญนั้นคนเขียนโดยไม่มีเครื่องพิมพ์การเขียนก็เป็นเรื่องส่วนตัวสิใครมีความรู้แค่ไหนเข้าใจถูกต้องไหม จำไว้ได้แม่นยำหรือผิดเพี้ยนหรือแม้แต่ถ้อยคำภาษาเขามีความเข้าใจภาษาถูกต้องไหมบางคนเขียนอักษระจะบอกคำสอนแต่ตัวกอคอคองอบางทีก็สะกดไม่ถูกทำให้คนที่อ่านเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าการเขียนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ในสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีการพิมพ์ถือว่าการเขียน ใช้เป็นทางการหรือเอาจริงจังไม่ได้ให้เป็นเรื่องของการใช้ส่วนตัวเช่นอยากจะเรียนอะไรทบทวนเขียนอะไรก็เขียนเฉพาะตัวเพราะไปเห็นใครเขียนอะไรไว้บอกอะไรไว้เชื่อได้ที่ไหนละ่ะเราไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยมีความรู้จริงหรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องสำคัญเรื่องจริงจังเขาไม่เอาเลยเขาต้องใช้วิธีทรงจา เพราะมันจะมีแบบให้แม่นยำเดี๋ยวจะเล่าต่อทีนี้แทรกเข้ามาคือว่าการใช้วิธีเขียนในสมัยก่อนเนี่ยมันเข้าคติที่บอกในเรื่องตำรายาวว่าลอกสามทีกินตายเคยได้ยินไหมเอลอกกี่ทีกินตายนะอันนี้ชักจำไม่แม่นแล้วเอาเป็นว่าจะลอกสามทีกินตายหรือลอกเจ็ดทีกินตายหรือกี่ทีก็แล้วแต่ ก็คือว่าคัดลอกต่อๆกันไปพอเอาไปทำยากินแทนที่จะโรคหายคนก็เลยตายยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมีตำรายาบอกว่าลูกประคําดีควายรากกิกาแดงทีนี้คนที่มาคัดลอกไปไม่มีความรู้ว่าต้นไม้ที่เป็นตัวยาชื่อนี้คือต้นอะไรก็ได้แต่ลอกตัวหนังสือไปตามนั้นแต่เพราะว่าไม่รู้จักของจริง ไม่มีความรู้ก็นึกเอาตามความรู้ความเข้าใจของตัวก็เขียนแยกวรรคผิดหรือแยกวรรคไม่ผิดแต่เขียนติดกันเป็นพืชไปเลยคนอ่านไม่รู้จักของจริงก็แยกวรรคไม่ถูกทีนี้ลูกประคำดีควายรากกิกาแดงก็มาแยกเอาสิลูกประคำเออเออใช่แล้วลูกประคำได้ตัวอย่างหนึ่งแล้วดีควายเออ ดีควายก็ได้แล้วดีควายไปเอามาต่อไปว่ารากอ้อรากคนก็รากออกมาคืออาเจียนขี้ก็ได้ละแล้วก็กาแดงเอตัวนี้หายากจริงๆหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอาละสิทำไงละ่ะตำรายานี้กินเข้าไปก็มีหวังถ้าไม่ตายก็ปางตายใช่ไหม ทีนี้ที่จริงมันเป็นอย่างไรประคาดีควายเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งผลของมันก็เป็นลูกประคาดีควายใช่ไหมคือลูกของต้นประคาดีควายแล้วก็รากขีกาแดงขีกาแดงเนี่ยเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งก็เอารากของต้นขิกาแดงนั้นมาเป็นอันว่ามีตัวยาสองอย่างนี้เท่านั้นเองนี่อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำที่ว่า ลอกสามทีกินตายเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นอันว่าเรื่องการเขียนเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากแต่วิธีท่องของท่านนี่ใช้วิธีสังฆะที่ประชุมส่วนรวมต้องมีการสัทยายสอบทานกันจนมั่นใจได้